ต่อไปนะครับมาที่มาดูความอธิบายนะครับนะในการหาข้อหน้าสองันสาสิบเจ็ดนั้นนะครับข้อที่สองนะครับอธิบายวิเลคานาศิขาบทถึงสร้างหาอธิบายสิกขาบ ท, ที่สองต่อไปคําว่าอุทิศมาเนี่ยความว่าเมื่ออาจารย์สอนเตวารศิษอยู่ใช่ไหม สอนพระปาติโมกนะครับพระวินัยนะหรือให้ท่องอยู่ด้วยอำนาจการสาทยานะครับก็หมายถึงว่าอาจารย์กําลังสอนลูกศิษย์ก็ดีหรือลูกศิษย์กำลังขอให้อาจารย์สอนให้ก็ดีนะหรือว่ากำลังสาทะยานก็ดีนะเกี่ยวกับพระปาติโมงนะแล้วืึงก็ไปติดเตียนให้เขาฟังคาว่าขุทานลุทุท่าเกหนีคือเรื่องเล็กน้อยๆนะครับโอ้โหสีขานี้นะใช่ไหมพูดเป็นเรื่องเล็กน้อยหน่อยนะครับ อคําคว่ายาว่าเทว่าเป็นการกล่าวกําหนดขอบเขตแห่งความเป็นไปสิกขาบอกเหล่านั้นนะครับว่าการไปเรียนวิทย์ในเนี่ยหรือว่าเรียนพระปาริโมงนะมันไปเพื่ออย่างนี้จริงๆนะกําหนดขอบเขตเลยนะครับว่าเราไม่ได้มีความสมบูดีเลยนะครับเป็นแค่ความฝุ่สร้าความคิดมากเพื่อการอะไรนะันกังวลใจเนี่ยจะแป๊ดดิ้นเลยแล้วก็ทุกข์ใจลำบากไปเปล่า ออย่างพวกผมนี่ไม่ดีนะสบางเราคิดไรล่ะใช่ไหม <c oughs> โอ้โห อ, อย่างนั้นมันไม่ไมดีนะครับทำให้ศาสนาเสื่อมได้นะครับตัวไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่พอใช่ไหม <c oughs> ย่างไปตีเสียสิขาเหมืให้คนอื่เข้าแบบขอแท้ใจขึ้นมาอืมครับไม่ได้นะสนายอืมนะแล้วก็ครับมีคาอธิบายว่าสิกขาบทกเหล่านั้นทิ้งสูงใดกําลังสวดนี่ไง กำลังขอให้ผู้อื่นสวดหรือกําลังสาธยายไม่หยุดไมยั้งนะครับย่อมเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนคือความลําบากนะครับและเกิดความตะขัดตะขวงใจนะครับคือยุ่งยากใจนะคยุ่งยากใจคือความสงสัยอย่างหนะ่ะโอ้ยิ่งเรียนก็ยิ่งสงสัยนะครับลําบากใจเลยนะหรือว่าควรหรือไม่หนอะแกพิสูจนหลังนั้นนะครับอีกอย่างนือคําว่ายาว่าเทว่าเป็นการตกลงอย่างสูง ว่าเป็นไปเพื่ออย่างจริจริง ๆ, ๆในวินัยไม่อยากจะให้เขาเรียนเลยนะบทว่ายาวว่าเทวานั้นนะครับควรเชื่อเกี่ยวกับบทว่าสังวัตตันติย่อมเป็นไปครับเพื่ออย่างนี้เท่านั้นนะครับอธิบายว่าย่อมเป็นไปเพื่อความรังเกียจเพื่อความยุ่งเหยิงหรือเกินคําว่าสิขาปณะวิวันนเกณนะครับความว่าเมื่อก่อนคือติดเตียนสิขาบทอย่างนี้ต้องบัปบาทปานจิตติๆๆๆๆๆๆ เหกิดและประเภทอาบัติขาบทนี้คุณพระข้าเจ้าทรงาราบพระพิสุทธิชกทีในเมืองสามวัถีบัญญัติไว้แล้วเพราะเห็นคือการตีเตียนศีขาบทเป็นสาธารณบัญญัตินะครับพิสุนี้ก็มีหมือกันนะยาปัญาพิคุณีใช่ไหมเปลี่ยนแต่โยบัญญาใหนั้นเองครับยาปนญาพิคุณีปราดิโมเทศุสัมาในที่เหลือเหมือนกันเลยนะนะครือ อ น, นันติกาไม่เกี่ยวกับารใช้ต้องติีเตียนเองต้องเาบักเองนะอ น, นันต์อ น, นันติกาอ น, นานติกะครับบางอย่างติกาไปตีนะครับเป็นไปพูดกับพราตีตีใหพระฟังนะครับเข้าใจของฉันครคัญติดต้องไปงนะตีเท่านั้นตีเตียสิคราบบทที่อนุบสัมบัณฑ์กำลังส่วนอยู่เป็นต้นนะครับอะไรวะเนีนี้มีเนรูปไหนบ้างข้องปฏิโมกข์นะหรือช้อน <c oughs> ชอ้อนข้องข้างนอกยังอะไรนะ ใ่องได้ถนอ้าวยท่องไม่ได้ถึหอ้าวเสียเคียวว่าใคท่องใช่ไหมสี่สิบข้อนี่ไม่จบนอ๋คท่องหรืเร่าคุณเริ่มขสี่ข้อนะเลขสี่เคียวว่าเหมือนกันอ้าวท่องสังเสตุส ข้อหน้าก็เลยเป็นเนนน่ะดีครับผมก็ท่างข้อหน้าเลยเป็นเนนตอนอายุ26ปีนะหบวดปีละปีที่สองปีแรกอายุ25 26นะครับก็ท่องปฏิบอกหน้าเนีลยนะครับถ้าเป็นเนทข้อหน้านี่มีอน quests? นี้สอนะครับพอระบบเป็นผ่านที้สบายเลยนํามาท่องมาทวนไหมล่องีไปไวเลยนะครับอืมปัญหานะที่ประมาณนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้ปฏิบอกกันนะะแต่เข้ามางเข้าไม่ท่องเลยนะครับมังเข้าอย่างนัก ก็ได้หลนกันะครับเป็นติการทุกตนะครับทาก่อนเน้นนะเพราะการติเตียนทำอื่นของประสัมบันหรอนุปัฏฐานทั้งสองต้องทุ ก, ก, กเตเกี่ยวนงพระสูตพระพิธรรมนี่นะนะเดี๋ยป็นเียนัที่ทาเน์ะเดี๋ยหนักเดี๋ยวเป็นบ้าว่าจยเอาหนักอะไรนะครับนะบาเก่าไปนะมีให้เาเดียวิ ไอพูดอะไรเนี้ยไม่ได้เลยนะครับสมัยก่อนนะเขาบอกน้าว่าถ้าเรียนมาดีใหญ่นะยถ้าคนที่แบบไม่มีบุญจริงเขาจะไม่ให้เรียนนะครับถ้ามันมีบุญจริงแล้วคุณไปเรียนนะ่มันจะมีเห็นเป็นไปนะครับที่การจะกินหัวถ้าหัวไม่ดีจริงเขาจะไม่ให้เรียนนะครับสมัยก่อนเขาเอาหนังนี้ยนะถ้าบาดีใหญ่นะครับแต่หัวไม่ดีจริงจะไม่ให้เรียนนะครับมางทีก็กลัวว่าจะท้อเงี้ยเพรามต้องท่องเยอะต้องค้นต้องดูเยอะขึ้นนะครับ ถ้าหัวมันดีเขาก็ไมา่ให้เรียนะนะะต้องคนนี้เอามจริงจังๆเ ข, ขา ข, อขอยานันท่องขยันอ่านแล้วก็หัวดีด้วยอย่างนนะครับเครตัว่าถ้าไม่นั่นจริง่จะเรียนนะเขาห้ามเลยเขาจะมีเหตุเปนไปนะอย่าน้อยที่การกินหัวข้าวเยี่ยวได้ยินบ่อยครับพี่การกินบเอยครับถ้าทไม่มีมุ้งอย่างไปท่องเลยเดือนละ ขางบ้านยังไครับว่าถ้าบู่งถึปาติโมกเนี่ยยังถึงว่าหมดเลยว่าเลยถึงไหไปมากเลยฮะป้าเลยนี่แต่มีถึงเราว่ถึงขนาดตายตาก็มีเนี่ยนะความจริไม่ใช่ถ้าเราท่องเราจะได้บูนขึ้นมาต้องท่องเรียนนะครับเราไปนะอาบัตนะครับพี่สุไม่ต้องอาบันเมาไม่ต้องการติเตียนนะครับ เมื่อถุมเชิญให้กราบก็กราบก่อนว่าเชิญท่านจงเรียบพระสูตรคาถาเรืองพิธามก่อนภายหลังจึงค่อยถามพระวินัยนะครับอันนี้นะถ้าก็พูดตามเหตุผลไปนะครับเมื่อเรียนวิญญาณจราชาจะเคียนนะนั่นอาบัตินุ่นอาบัติเหยียบแค่เหยียบเ้าเดินจะอาบัติใช่ไหมครับคนนี้สัตหีบเขาจะไมีกําลังมากนะเขาจะท้อไปเลยนะครับโอ้ไม่จะอยู่หรือไงเสกนิดหนึ่งเชื่แต่อาบัตินะ ถ้าได้เคยแนะให้ปรพระปติสูก่ก่อนเลยหรือปฏิบัติ พ, พิธามเกิดศรัทธานะมีศรัทธามีกาลังข้างหน่อยก่นนะครัแล้วก็มนเรียนปิตาอวิไยนะมันจะได้ให้เครียดไม่ท้ออย่างนะะี้นะรับก็แนะนำหรือวิปายนะก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่องเป็นลหลอกใช่ไมได้วิสุทธ์ไม่มีปัญหานะย่หมกอ น, น <Okay. S 1> กัน่เหมอนกันนะครับ <Okay. S 1> อ้ามีช้อโรค อ่ามกวเราบกรเรออืมครับครับเนี่ย้าลักษณะนี้คือหวังดีน่ไม่ใช่ติดเตียนนะครับแต่พูดนอกเหตุผลในฝันนะเรียนก็อสู่นันนมชาตัวกระท้าธมบทมีสัทธาใช่ไหมเรียนเพื่อพิทธรรมเกิดสทากับเราผเรียนนั้านอะไรพิสูบ้านเป็นต้นก็ไม่ต้องหาบอกนะยี่งได้คมมาถานผมเน่ยราหวังให้เรียนบาลีกับพิทธรมให้เรียนอะไรก่อนผมก็ยิงแน่นอนเื่อเรียนพิธม ถ้าคนที่เข้ามาบวชใหม่เลไอย่างเงี่ยนะก็นะนำให้เรียนพิธามก่อนครือว่าเข้าสู่นักธรรมอะไรก็ได้ไถ้ามาในบาลีปุ๊บนะครับิี่นี่มีบาลีใหญ่นะบาลีแม่เรียาทำมาเต็มที่นะครับจะเน้นไปที่ตัวอะไรนะมันอยกภาศใช่ไหมครับแล้วรู้แต่เรื่องนี้นะครับทำอะไรไม่พอรู้เรื่องเลยวินัยก็ไม่คอยรู้พ่อเรียนแต่บาลีนี้ อ่ะพี่ชาวชามะก็ไม่เคยรู้เขาเรียนบาลีมีเนี่ยไม่แบบภาษาโหฮันนะครับแล้วถือว่าคุณเรียนบาลีสามปีนะและ้ว้าคุณเึกออกไปนะครับแน่วา่าบาลีได้นาครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่พี่ทําไม่รู้เรื่องครับทั้งมะทั้งมะไม่รู้เรื่องเลยนะครับวินัยก็อะไรก็ว่าไม่ได้นะแล้วมันเกิดจากทางอ่าพอเอ้สองสามปกีก็อยู่ไม่ได้เสกใช่ไหมครับ mm. มือนกับเข้ามาบวชศาสนานะไม่ได้มาศึกษาคำสอนเต็มที่นะ เนี่ยพอไปติดตรงนั้นก่อนใช่ไหมผมจะแนะนาอย่างงี้นะถ้าเรียนไปทำก่อนหรือว่าทํามะนี่แหละก่อนอย่างน้อยนักธรรก็ยังดีนะครับมันยังได้มีสัันธ์มันกำลัง ไ, ได้เรียนศาสนาของเนใช่มไหมได้ในคำสอนก่อนเลยนะครับเ<ม>พราะถ้าเราียนภาษาบางทียังไม่ได้คําสอนนะต่ภาษาที่ <c oughs> จะไปเข้าใจในคําสอ น, นทีนะครับอย่างนี้ น, น, นนะก็จะแนะนำอย่างนี้นก่อนนะครับแค่เรียนไปทำหรือว่านักธรก่อน เสียดายว่านบวชมาซึ s <S ่งน้องชายผมน่ะบวชมาเรียนบาลีส่วนใหญ่นักธรรมเขาเรียนเดียทพี่ธรรมเขาไม่ไดเรียนถ้าเไปเรียนบาลีอย่างเดียวไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเขามากนะครับได้ไหมครับได้ปีเดียวเลยนะครับตายครับน้อใช้ไม่ได้ท่านบวชแค่ปีเดียวแล้วก็เสร็จออกไปอก็เลยว่าเสียดายไปเลยนะครับแต่นี้ถ้าเราเรียนไปแล้ใช่ไหมเรียนพี่ธรรมหรือพระสู่อาหรือยทีนี้ก็จะนักธรรมก็แล้วแต่นะ กิมันอยู่ไม่ได้เสึกออกไปนะครับอย่างน้อยธรรมาเป็นย่งติดต่อติดตัวไปใช่ไหมมีไม่ได้เห็นปัจจัยระโยชน์แล้วนะครับแต่ถ้ามีแต่บาลีน่ะอะไรภาษาบาลีอย่างนี้ติดตัวไปนะนี่ก็มันก็เสียโอกาสก็เป็นปัจจัยนั่นแต่อันนี้ถ้าเรียนธรรมะก็เลยต้องแต่เมื่อเราพอนิรู้ทํามารู้อะไรบ้างแล้เนี่ยนี่จะไปเรียนภาษาบาลีนึงครับแล้วแต่เลยแต่ที่เนีย องอามันนะครับสิกขาบทนี้มีองสองเหล่านี้คือหนึ่งต้องการจะติเตียนะครับมีใจอย่างนี้นะสองติเตียงสิกขาบท น, นะคะนรับในสําหนังกับสําบันไดให้องสองแล้วก็ต้องออกไปดีในสิกขาบทนี้ได้แล้วสมมุขฐานเป็นต้นเหมือนกับอธินาทางสิกขาบทเราใช่ไหมการจิตวิทยาการวจาจิตตาแต่สิกขาบท น, นี้มีเวทานามเป็นทุกข์เลย เือบไม่พองใจนะครับจปติดเตียนนะครไม่ชอบจบการอธิบายมีเลขาคณะศึกษาบนะครับภายในในสมมตบภาษาดิการท่านจะอธิบายเยอะนะครับเกี่ยวกับอันดีสมของการเรียนภระมินัยนะครับอันดีสมของภระมินัยถอนนะมีอยู่ห้าประการนะครับมีแต่ได้แต่ได้อมีแต่อันดีสมนะมอมม่นเลยมีข้อเสียว่าโุ้งสร้างหรือว่าสงสัยหนักใจในหลวงพระเจาพัคคีว่าอะไรนะครับ เมียได้อานิสงค์เดียว ก, <c oughs> ก็จะไม่ให้ฟังนะครับหน่าเจ็ดร้อยสี่สิบแปดนะถ้าใครดูประบารมน้าเจ็ดร้อสีสิบแปดตัวที่เป็นคําถามนะถามว่ า, าพระวิเนตรย่อมได้อานิสงฆ์ห้าเหล่าไหนแก่ว่าย่อมได้อานิสงฆ์ห้ามีการคุ้มครองสินะขันเป็นต้นของตรงครับสมดังคำที่พระพากย์เจ้าตรัสไว้ว่าดีกวามิสุดทั้งกทายอานิสงฆ์ในวิเนตรบุคคล บุคลผู้ทรงวินัยมีห้าเหล่านี้คือวินยัยทรมิตรคนไม่ใช่ธรรมดานะต้องรู้แบบแตกฉากพระวินัยเลยนะครับจำได้นะพิสุขพุทธิมโองหงาบัราณาบาบพวกนี้นักก็จาได้นะครับวินิจฉัยได้แตกเอาว่าแตกฉากพระวินัยก็แล้วกันนะถึงจะเรียนวินัยทรมิตรได้ผู้สรนผู้ซึ่งพระวินัยเยน <S <S <ๆ>ี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะหายากนะะสมัยนี้ <c oughs> คือนะครับข้อหนนะ สิละขันของตอนเป็นอานคุ้มครองร่างฐาดีแล้วจะไม่ต้องอาบตดด้วยการต้องมาทั้งหกอย่างครับถึงเกิดท่าต้องเข้าไปนะครับก็จะมีการปลุกรีบออกจะอาบนะอดนั่นเองนี่ยใช่ว่าต้องด้วยความไม่รู้อย่างนี้ไหมอ้าวก็รู้ว่าวินัยแล้วก็ไม่มีข้ อ, อนี้ใช่ไหมครับต้องไม่ไละยิ่งถ้าเป็นพระวินัยทออย่างนั้นนะท่านจะต้องวินัยมากเลยนะครับพ่อตัวเองเป็นวินัยทอเซียนใช่ไหมมาทำผิดวินัยนี้ไม่ได้เนะี่ย ข้อถึงก็เหมือนกันนะจะได้อสง่งยิ่งในนักสงสัยนัตขืนคำตรงนี้ก็จะไม่มีเพราะนั่นรู้หมดแล้วใช่ไหมอะไรผิดอะไรถูกนี่นะครับหลายอย่างนะก็จะรักษาสินะังตนได้ ด, ดีนะครับแม้เกิดต้องข้อทั้งก็จะรู้จักวิธีของแล้วก็รีบออก น, นะครับเป็นที่พึ่งของผู้วิสูตรผู้มัง่งระแวงสงสัยใช่ไหมเป็นทีเพึ่งได้ดีเลยนะครับวิสูตต่างๆที่สูตพระนรวการ น, นะ มามาเสราที่ยังไม่คยรู้าวินัยนะครับก็สงสัยเรื่อวินัยขึ้นมาจะถามใครก็ต้องไปถามพายวินัยทอนใช่ไหมครับจะไปถามใครนะบางทีเนี่ยผมไ่เค้าคิดมากหรือขึ้ัเคียดเลยนะวไอ้เป็นอาป่าในปาเราต้องประมาชิกนิยนะครับนึเป็นเจตนาดเสรหรือป่าน้เคียดเลยนะครับแต่ว่าถามพ่อวินั่อนุเกิดความงใจนะครับก็เป็นที่พึ่งให้พสูจนหลังนี้ได้เราสงสัยบงโทรไปถามมาต่างนโทรไปถาม มีตัวเองตัดสินใจไม่ได้จะนั้นก็สงสัยนั่นเะอครับแต่โดยประธานมันกระเจาะอย่างนี้นะอ่าเป็นผู้กล้ก า, า, ก, ลานะกล้าพูดในถ้ำการสองทําไมกล้ากล้าเพราะตัวเอนรู้ว่าพูดอย่างไรสมควรพูดอย่างไรไม่สมควรคําพูดอย่างไรมีโทษคพูดอย่างไไม่มีโทษเวลาพูดในถ้งกลางสองนะครับจะมีในคําพิน์บริวาล น, นะจะพูดถึงคําพูดที่แบบมีโทษในท้าการสองนะครับที่มันควนนะครพูด แบบพูดดาคนอื่นนี่ไม่ควนพูดแบบอะไรนะไม่ให้โอกาสคนอื่นในนีเลยครับมีหลายอย่างพูขงหรือเปาพูุโคมพูดไม่ให้โอกาสที่นี้ครับจำไม่ได้นะนะอยู่ในคำพิบริวาจะมีนะครับคพูดที่มีโทษถ้ากลางสนพูดอะไรเนบแนงกระแทกนน่นอันนั้นหนักเลยนะยิ่งถ้าการสนก็ยิ่งไม่ควรนะครับแต่ถ้าพระพิณชาก็จะรู้ใช่ไหมพูดอย่างนี้มีโทษไม่มีโทษนะครับ ก็จะแก้ก้างพูดนะแล้วก็คมเราชนุ่มเป็นค่าศึกได้ราาค่าดีโดยศาสตร์ธรรมเพราะจะรู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นธรรมเป็นวินัยใช่ไหมครับถ้านสามาคถขมเหล่านี้ได้นะผูเะะ้เป็นค่าศึกนะครับเป็นค่าศึกพระศาสนาก็ดีค้าศึกแก่ข้าวส่วนตัวก็ดีนะครับท่านก็จะสามารถที่อะไรนะขงชวนเหล่านั้นได้ข่มด้วยการลงจำ น, นะครับถึงแม้อาจจะไม่เสี่ยวยยกับพระวินัยแต่เรื่อง ถ้าเข้าเป็นวิทยาผีใช่ไหมก็สามารถจะมาสอบสวนนะครับมาวิ่ได้แชร์ที่ก่อนแล้วก็ลงกรบตากรณีได้ใช่ไหมครับจะถมผู้มีพระสินิได้เลยนะครับนี่นะและก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสังฆ์นะครับใช้นาสนาในกางอยู่ได้ น, นะครับเพราะว่าเนี่ยสมัยก่อนนะเขาบอกว่ามีการข่มกันน่าเรื่องว่าปริยัตหรือว่าปฏิบัติเนี่ยเป็นมูลของศาสนา ระ ว, ว่างปริยัติกับปฏิบัตินะครับอะไรเป็นราละงอกของพระศาสนาพระิะถระพ่วงนึ่ง น, นะครับก็บอกว่าปริยัตินะครับเป็นรากมูลหลังของศาสนาโดยยกประสูนี้มาอ้างว่านะครับดูก่อนอานนลทำและวินัยวินัยใดที่เราแสดงแนละ้วบัญญัตาและแก้ทุกข์ต่างหมายทำและวินัยนะั้นจากมูลสดาของตัางหลายโดยการร่วงไปแห่งเราดังนี้นี่ไงต้องปริยัติ ผมว่าทำหน้าที่ไหนใช่ไหมจะเป็นศาสนาของเพยทั้งหลายนะครับแต่ว่าถ้าอีกพุ่งนะครับรู้สึกว่าตอนแรกเป็นพระอะไรเนี้ยพระดีกับพระ็ิพุงก็มีการคุยกันนะอิพุ่งเขาก็บอกว่าปฏิบัติเป็นมุ่งของศาสนาไม่ใช่ปริญาณอาฆาตต้องปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติจะบรรลุธรรมได้ยัไงครับก็อ้างสูนี์ขึ้นมาว่านะครับดูกราบศีรษะ ที่สุดทั้งหลายเหล่านี้แหละพึงอยู่โดยชอบโลกไม่พึงว่างเปล่าจากผ้าอาหาหห ร, หราทั้งหลายนี่ไงนะครับนี่เลยใช่ไหมที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยตอนการเส็จนิพพานใช่ไหมครับที่สุดใดทั้งหลายเหล่านั้นแหละพึงโดยชอบโลกไม่ถึงว่างเป่าจากผ้าอาหาเนี่ยแสดงว่าปฏิบัตินะครับเป็นมูลหลานนะแล้วกล่าวว่าผู้อย่ทั้งหลายห้ารูปผู้ปฏิบัติโดยชอบยังมีอยู่เพียงใด ศาสนาจารว่ายังตั้งอยู่เพียงนั้นดังนี้นะครับที น, นี้นะครับใครแพ้ใครชนะนะแล้วพวกที่นะครับที่เห็นว่าปริยัติไปล่ามนะ่่อนั้นก็อ้างขึ้นมาอีกนะครับคือ่ในมีการน ะ, ะปรไม่ไม่ได้ออกมานะครับก็อ้างขึ้นมาว่า น, นะครับอันนี้นะเมื่อปริยะอันตรธานแล้วแม้บุคคลผู้ปฏิบัติก็ไม่มีการบรรลุธรรมใช่ไหม ถ้าไม่มีภระปริยัติไม่มีแบบแผนแล้วนะครับคุณปฏิบัติไปถึงอยังไงก็ไม่ได้บรรลุหรอกใช่ไหมครับเพราะปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้มันก็เข้าปฏิบัติตามคำเรียนพระเจ้าทรงแสดงไว้ใช่ไหมครับนี่ปรปิยันแบบแผนไม่มีแผนที่ไม่มีนะปฏิบัติในคนละแบบสองแบบได้นจะเองนคิดค้นขึ้นมาเองนะครับไม่มีปรปิยัติแล้วนะครับการบรรลุธรรมก็ไม่มีนะก็เลยตกลงกันว่าเนี่ปรปิยัตนแะนะครับเป็นล่าล่อของพระศาสนาเนะพราะมาปริยัตแล้ว เราปริญญาเนี่ยเป็นแบบแผนในการปฏิบัตินะครับการรู้ธรรมจริงๆมีขึ้นมาไดนะ้แต่ไม่ใช่ว่าเราเรียนปริญญาอย่างเดียวนะนแล้วก็เพื่อปฏิบัติแล้วก็เพื่อเพิ่มพลุกพตาตักขึ้นะราปแต่ถาว่าอะไรเป็นมูนลแรกเป็นล่า ง, ง, องนะ่อกต้องมองวปริญญานี้ก่อนนะเพราะถ้าปริญญาไม่มีแล้วนะครับประการรู้ธรรมนี้ไม่ได้นะนะีนะนะ่แล้วกล่าวว่าถ้าแม้ี่สุขห้ารูปนะครับ จะเป็นผู้รักษาปลาชิ้นไว้ได้สมมติว่าสมัยต่อมาศาสนาเสื่อมมากนะครับ้าเนี่ยนะโอ้โอปลาชิ้นเป็นว่าว่าแร่หนงเนี่ยนะแล้วเหลือแค่ห้าลูกพาที่สามารักษาปราชิ้ไว้ได้แต่ว่าที่เหลือต้องการกุะดุนนะไปถึงไปดีดดึงอาดิเศษเนี่นนนมันเคยใส่ใจเ่านะครับทำเนืองเนืองนะรักษาปราชิ้4สี่พอ <c oughs> แต่ก็ยังเหลือห้าลูกนี่นะะเขทรักษาปลาชิ้ไว้ได้แต่พวกนี้เข า, เออารู้ยู่ไหนนะห้าลูกนี้นะ ที่สูเหล่านั้นนะครับให้คุณระบุทั้งหลายผู้มีศรัทธามาประชาแล้วให้อุปสมบทแม้ในปัจจันประเทศใช่ไหมถึงเหลือแค่ห้ารูปเนี่ยยังไม่ปลาชิกงจะไม่รู้วิในเนี่ยครับก็จะสามารถเอาชาวบ้านเนี่ยคุณระบุท่างหลายเนี่ยมาบวชได้ใช่ไหครับมาบวชเป็นเนรแล้วก็มาบวชเป็พระปัจจันตชนบทใช้ได่ห้ารูปใช่ไหมได้แล้วเพราะเรามีความรู้วิัยส่วนก็มาประชาระได้ก็สู่ในข้อหน้า ทีนี้เมื่อคนบวชเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมแต่ก็ให้ครบคณะท่าสาวาลก็ได้ท่าเป็นสิบูปนะนะครับตัวท่านห้าใช่ไหยบุญห้าก็เป็นสิบนะครับแล้วจะทําการประสมบทแม้ในมัธยมประเทศเมื่อท่าเยอะขึ้นหรือได้สิบูปเนี่ยก็จะสามารถทําการผสมบทนะครับในมัธยมประเทศก็ได้ทีนี้ให้พิสูจน์สองครบวีสติวักแล้วนะครับก็บวชคนบุชเพิ่มเพเรื่อยๆือใช่ไหมก็มีคนหบวชเพิ่มเพิ่มขึ้นจนท่าให้ ถ้าบยี่สิบนะครับจังคาอภ า, านเก่าแม้เพื่อตอนเนี่ยถาา้ทำอภานเพื่อตนเพราะอะไรพราะเจอเหลือแค่ประลาชิงสี่ข้อที่เหลือไม่เหลือแล้วนะครับถ้าก็มีกรต้องสาัาริเศษนะก็พาที่เมันครบขณางหนยี่สิบนันนะครับมาี่ออกอภานให้ใช่ไหมอย่างนี้นะครับยังนนสนานให้ถึงความจเจริญง อ, งองกองานไรบูุญด้วยนะอุาอย่างนี้นะครับสนะเขาเจริญขึ้นต่อหน้ใช่ไหม มีคนบวชเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาสื่อารปฏิบัตินะครับก็ยังมีต่อไปได้แต่เนี่ยก็มาจากภาะวินัยทอนใช่ไหมครับที่รู้ภาะวินัยรู้จัการทํากรรมต่างนะว่าการบวชทำยังไงในประจันชุมนมมัธยมชนบทหรือว่าออกพาทำกรรมแต่ละอย่างเป็นยังไงใช่ไหมครับนี่นะครับอีู่ที่พระวินัยทรเพราะนั้นนะครับภาะวินัยทรนนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัมภารสามด้วยประการอย่างนี้หลย นี่อ ท, ที่บายเร่องความคิดที่อธิบายอะไอย่างเงี้ยเอาไว้ทางออกไปก็แล้วกันที่คมหมายที่คมหมายถึงการบรรลุธรรมครับแจ็คครับพรุ่งนี้เราจะเอาบัตรไปไหมไม่ต้องเอาไปครับ